วันนี้จะเริ่มพูดธรรมะที่คำสอนของหลวงปู่ดุลหลวงปู่ดุลนี่ท่านเป็นหนึ่งในลูกศิษย์ของหลวงปู่มัน่นท่านสอนธรรมะแบบสั้นๆท่านพูดไว้ว่าจิตส่งออกนอกเป็นสมุทยัยจิตเข้าข้างในเป็นมรรค ถ้าใครเข้าใจคำสอนสั้นๆนี้สามารถปฏิบัติได้ก็บรรลุไดนะ้ธรรมานี้ง่ายจะตายไหมง่ายๆอย่าส่งจิตออกนอกให้ดึงจิตเข้าข้างในเท่านั้นเองจบบรรลุมักผลที่ผ่านบรรลุแบบนีนะ้ท่านถึงไม่ต้องพูดมาก ท, ที่ต้องพูดมากก็พวกผู้ฟังฟังไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่าจิตส่งออกนอกเป็นยังไงจิตเข้าข้างในเป็นอย่างไรแต่พวกที่รู้นี่ไม่ต้องพูดมากไม่ต้องอธิบายเป็นคนฉลาดฟังแล้วเข้าใจความหมายเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าสงสอนพระิยาว่า เห็นอะไรก็ให้สักแต่ว่าเห็นได้ยินอะไรก็สักแต่ว่าได้ยินรู้อะไรก็สักแต่ว่ารู้เท่านั้นเหม็นยากยินตรงไหนแต่ใจของพวกเรามันไม่ยอมเป็นอย่างนั้นปัญหามันไม่ชอบเห็นเฉยๆมันไม่ชอบรู้เฉยๆเหม็นไม่ชอบได้ยินเฉยๆพอเห็นอะไรแล้วมันมักจะเกิด กิเลสตามมาทันทีเกิดสมุทัยขึ้นมาดังที่หลวงปูด่ดลท่านพูดไว้จิตส่งออกนอกปั๊บสมุ ท, ทยัยเกิดขึ้นมาทันทีพอส่งออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสผลึก พ, พะก็เกิดกามตัณหาขึ้นมาทันทีเห็นรูปก็อยากได้รูป ไม่อยากถ้าไม่อยากได้ก็อยากหนีอยากหนีจากรูปนั้นเห็นรูปที่ชอบก็อยากได้เห็นรูปที่ไม่ชอบก็กดลบทิ้งทันทีอันนี้คือตัณหาเกิดขึ้นแล้วสมุทัยคือตัณหาสมุทัยคือต้นเหตุของความทุกข์ถ้าส่งจิตออกนอกก็เท่ากับส่งไปหาความทุกข์ ส่งจิตออกไปหาลูกเสียงกลิ่นรสผลทพะส่งจิตไปหาราบยศสรรเสริญส่งจิตออกไปก็จะเกิดกามตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหาขึ้นมาพอเกิดตัณหาก็เกิดทุกข์ขังขึ้นมาเกิดความทุกข์ขึ้นมาในใจแล้วก็เกิดภพชาติขึ้นมาต่อไปร่างกายนี้ตายไป แต่ความอยากนี่มันไม่ได้ตายไปกับร่างกายมันก็พาไปเกิดแก่เจ็บตายใหม่เห็นไหมคําพูดธรรมะสั้นๆ น, นี่แต่พอมาวิเคราะห์แล้วมันยาวเป็นขบวนรถไฟเเพียงแต่ส่งจิตออกนอกเท่าเนี้ยไปแล้วไปสู่การเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่รู้สึกตัวผู้ที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะ ผู้ที่ไม่รู้จักจิตจะไม่เข้าใจคำสอนแบบนี้คนต้องเข้าใจว่าจิตนี้เป็นผู้รู้ผู้คิดเป็นผู้ที่ไม่ได้เป็นร่างกายมาได้ร่างกายก็เพราะจิตส่งออกนอกส่งออกหารูปเสียงกลิ่นรสปุถุพะก็เลยต้องมามี มีตาหูจมูกดิ้นกายก็ต้องมีการเกิดก็มีร่างกายพอเหมือนร่างกายก็เป็นเหมือนรถยนต์คันหนึ่งเวลาที่เราต้องการรถยนต์เราทำยังไงเราก็ไปที่เขาขายรถไปตามร้านขายรถยนต์อยากได้ยี่ห้อไหนก็ไปร้านนั้น อยากได้ฮอนด้าก็ไปฮอนด้าอยากได้โตโยต a ก็ไปที่ร้านโตโยต a ร่างกายของพวกเราก็เป็นเหมือนรถยนต์ที่มีโรงงานผลิตขึ้นมาโรงงานที่ผลิตรถยนต์ผลิตร่างกายคือใครก็คือพ่อแม่นี่พ่อแม่เวลาแต่งงานกันก็ผลิตลูกกัน ผลิตร่างกายกันจิต ท, ที่ส่งออกนอกจิต ท, ที่ต้องการรูปเสียงกลิ่นรสผุดต่พระจิต ท, ที่มีกามตัญหาภวะตัญหาวิภาวะตัญหาก็จะไปช้อปปิ้งหาร่างกายไปหาร่างกายแต่กระบวนการหาร่างกายนี้เป็นกระบวนการที่ค่อนข้างที่จะลึกลับ ไม่ตรงไปตรงมาเหมือนกับการไปซื้อรถยนต์ซื้อรถยนต์นี้ก็ขอให้มีเงินแล้วก็ขอให้รู้ว่าที่ขายรถยนต์อยู่ที่ไหนก็สามารถไปซื้อรถยนต์มาขับได้แต่จิตที่เวลาตายไปแล้วจิตที่เวลาร่างกายตายไปแล้วจิตออกจากร่างไปจิตไปหาร่างกายอันใหม่นี้ เป็นกระบวนการที่ที่ที่ไม่สามารถที่จะร า, ายละเอียดแสดงรายละเอียดได้เหมือนกับกระบวนการซื้อรถยนต์คันใหม่แต่ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการอย่างไรไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องได้ร่างกายร่างใหม่ขึ้นมา เพราเรื่องของจิตนี้นอกจากมีตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากแล้วยังมีบุญมีกรรมด้วยที่มีผลต่อละต่อจิตใจเวลาที่ร่างกายตายไปแล้วจิตใจบางดวงอาจจะได้ร่างกายเร็วจิตใจบางดวงอาจจะได้ร่างกายช้าก็เพราะว่า ต้องไปรับผลบุญหรือผลบาปหรือไม่ถ้าไปรับผลบุญผลบาปก็อยู่ที่ว่าทำบุญทำบาปไว้มากไว้น้อยเพียงไรทำมากก็ต้องรับใช้มากทำบาปมากก็ต้องไปรับผลบาปมากทำบุญมากก็ไปรับผลบุญมากก็ต้องไปรับไปจนกว่า ผลบุญผลบาปนี้หมดกำลังที่จะจัดการกับจิตใจจิตใจถึงจะได้ไปหาร่างกายไปได้ร่างกายอันใหม่กว่าจะได้ก็อยู่ที่ว่ามีพ่อแม่คนใหม่เขาแต่งงานกันหรือยังร่วมสังวาดกันหรือยังอันนี้ก็เป็นกระบวนการโดยคร่าวๆของจิตที่ส่งออกนอก จิตที่ส่งออกนอกจะต้องไปแบบนี้ตอนที่มีร่างกายก็จะออกมาทางตาหูจมูกลิ้นกายพอหลืบตาเช่นเวลานอนหลับนี้จิตเหมือนเข้าข้างในชั่วข่าวเพราะว่าร่างกายเหนื่อยไม่มีกำลังที่จะไปทำอะไรได้ร่างกายขอพักผ่อนนอนหลับ ตอนนั้นจิตก็ไม่สามารถออกมาทางตาหูจมูกลิ้นกายได้แต่พอร่างกายตื่นขึ้นมาปั๊บเนี่ยจิตออกมา ท, าทันทีออกมาทางตาหูจมูกลิ้นกาย ท, าทันทีพอตื่นพอร่างกายตื่นปั๊บก็ลืมตาพอลืมตาจิตก็ส่งออกไปทางตา ท, าทันทีไปดูเวลากี่โมง อันนี้ก็ส่งออกข้างนอกนะแล้วก็ดูปฏิทินดูวันที่ดูอะไรดูสถานที่ที่อยู่ตอนนี้อยู่ที่ไหนว่าเวลานอนหลับแต่ละครั้งนี้อาจจะไม่ได้นอนที่เดิมก็ได้บางทีก็ไปนอนที่บ้านคนนู้นบ้านคนนี้บางทีก็ไปนอนตามโรงแรมต่างๆ พอเลื่มตาขึ้นมาจิตก็ต้องส่งออกมาวิภากวิจารณ์นะอว่าเฮ้ยตอนนี้อยู่ที่ไหนวะแล้วก็เริ่มคิดปรุงแต่งน ะ, สะแสดงออกมาข้างนอกพอออกมาทางตาแล้วออกมาทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสก็เริ่มปรุงแต่งกันแร ก, ก็ดูที่ร่างกายก่อนว่าร่างกายเป็นยังไงเออยู่ในสภาพอย่างไร ปวดท้องฉี้ลรืเปล่าต้องเข้าห้องน้ำอันนี้เป็นกระบวนการของจิตออกนอกทังนั้นเราเราเห็นได้ด้วยการดูตอนที่ร่างกายเตือนขึ้นมาเป็นช่วงที่จิตออกนอกส่วนช่วงที่ร่างกายนอนหลับนี่ก็เป็นช่วงที่จิตเข้าข้างในจิตไม่สามารถออกมาทางร่างกายได้ เพราะตอนั้นร่างกายต้องการพักผ่อนร่างกายไม่มีกำลังที่จะตอบสนองตันหาความอยากของจิตที่จะให้พาไปทำอะไรต่างๆได้จิตก็เลยออกมาไม่ได้จิตก็เข้าข้างในแต่นี้เข้าข้างในเพราะเพราะสภาพของร่างกายที่ไม่สามารถตอบสนองได้ พอร่างกายตื่นขึ้นมาพอตอบสนองได้เนี่จิตจะออกมาทันทีเหมือนเหมือนกับวัวปากคอกวัวปากคอกนี่มันรอให้เปิดประตูคอกพอเปิดประตูปับ๊บวัวมันจะวิ่งออกไปทันทีนี่คือจิตของผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมจิตผู้ไม่ได้ปฏิบัติธรรมนี้จะชอบส่งออกข้างนอก ชอบส่งออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสผลตภะเพราะภายในจิตมีกามาตหามีภาวะตันหาวิภาวะตันหาตัวที่จะคอยดันจิตให้ออกข้างนอกนั่นเองเพราะฉนั้นจิตของของคนส่วนใหญ่นี้จะเป็นจิตส่งออกนอกทั้งนั้นจิตที่จะเข้าข้างในนี้มีน้อยมากจิตที่เข้าข้างในคือพวกที่ ฝึกสมาธิเนี่ยพวกที่คอยดึงจิตให้เข้าข้างในด้วยสติพุโทโธพุโทโธเนี่ยสตินี้เป็นมรรคนะจิต ท, ที่เข้าข้างในแสดงว่ามีมรรคมีมรรคถึงจะเข้าข้างในได้ต้องมีพุโทโธพุโทโธคอยดึงไว้เช่นสมมุติว่าพอเตินขึ้นมาปั๊บจิตเริ่มออกข้างนอกเดิมตาขึ้นมาเริ่มทา น, น, นู่นทานี่ ถ้าอยากจะให้เข้าข้างในแบบที่ต้องบังคับนี้ต้องใช้สติเช่นพอลุกขึ้นมาเข้าห้องน้าปวดฉี่เข้าห้องน้ำเสร็จกลับมานั่งสมาธิต่ อ, อตอนนั้นเรียกว่าเป็นการเจริญมรรคนะดึงจิตเข้าข้างในสติก็มีหลายแบบถ้าใช้พุทธานุสติก็บริกรรมพุทโธพุทโธไป ถ้าใช้กายยกกตาสติก็เฝ้าดูการเคลื่อนไหวในอิรียาบทต่างๆของร่างกายไปไม่ให้ใจส่งไปทางข้างนอกให้อยู่ที่ร่างกายหรือถ้านั่งเฉยๆก็ดูลมหายใจเข้าออกอันนี้ก็เรียกว่าอาณาปณะสติถ้ามีการกระทาแบบนี้เรียกว่าจิตเป็นมรรคจิตเข้าข้างใน เพาะสตินี้เป็นตัวเป็นมรรคหนึ่งในมรรคมรรคมีสติมีสมาธิมีปัญญานี่เป็นตัวมรรคถ้ามีการเจริญสติสมาธิหรือปัญญานี่เรียกว่าจิตไม่ได้ส่งออกนอกตอนตอนต้นก็ต้องเจริญสติดึงจิตไว้ก่อนดึงจิตให้เข้าข้างในให้เข้าไปในสมาธิ ถ้าจิตเข้าไปในสมาธิจิตก็จะนิ่งสงบจะสงบได้สั้นหรือยาวก็อยู่ที่กำลังของสติถ้าสงบได้สั้นเรียกว่าคณิกาสมาธิถ้าสงบสงบได้นานเรียกว่าอัปปนาสมาธิอันนี้เป็นวิธีดึงจิตเข้าข้างในด้วยสติให้เข้าไปในสมาธิ อีกวิธีหนึ่งก็ดึงจิตด้วยปัญญาให้ใช้ปัญญาดึงจิตเข้าไปวิธีจะดึงจิตเข้าไปก็ต้องพิจารณาสิ่งที่อยู่ภายนอกว่าเป็นตายักว่าเป็นอสุภะว่าเป็นปฏิกลูลถ้าเห็นสิ่งที่ที่ความอยากชอบเป็นตายักเป็นเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะ จิตก็ไม่อยากจะออกนอกเหมือนเราอยู่บ้านนี่ถ้ามองไปข้างนอกฝนฟ้าตกนี้เราก็ไม่อยากจะออกข้างนอกกันอยู่บ้านดีกว่าปลอดภัยกว่าฝนฟ้าตกมีพายุนี่ออกไปเดี๋ยวก็เกิดเรื่องได้อันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราสอนจิตด้วยปัญญาว่า การออกข้างนอกนี้เป็นเหมือนกับออกไปอยู่ในกลางพายุฝนแล้วอยู่กลางแดดกลางแดดจ้าอย่างนี้ไม่มีใครอยากจะออกนอกบ้านกันอยากจะอยู่ในร่มกันแต่ถ้าจิตไม่มีปัญญาจิตไม่เห็นไตรลักษณ์จิตไม่เห็นอรสุภะจิตไม่เห็นปฏิกูล จิตกับเห็นตรงกันข้ามแทนที่จะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ไปเห็นนิจจังสุขขังอัตตาเห็นอะไรก็เป็นนิจจังสุขขังอัตตาเห็นอะไรก็เป็นสุขไปหมดเห็นรูปเสียงกลิ่นรสผธพ้าก็เป็นสุขเป็นนิจจังเป็นสุขที่จีรังถาวรเป็นอัตตาเป็นของเรา ได้อะไรมาแล้วก็จะเป็นของเราไปตลอดไม่มีวันจากเราไปไม่มีวันหมดไม่มีวันสิน้นถ้าคิดอย่างนี้จิตก็จะออกนอกถ้าคิดว่าเห็นรูปร่างหน้าตาคนนั้นเห็นแล้วสวยงามรอแล้วอันนี้ก็จะจิตก็จะออกนอก ท, ทันทีจะออกไปหาร่างกายเหล่านั้นหรือถ้าเห็นอาหารชนิดต่างๆ ว่าเหมือนน่ากินแล้วเกินอาหารที่เขาจัดไว้ในจานดูแล้วมีสีสันมีอะไรดึงดูดจิตใจเห็นแล้วก็น้ำลายไหลนี่จิตก็จะออกออกไปหาสิ่งเหล่านี้ทันทีแต่ถ้าใช้ปัญญาปัญญาจะสอนจิตให้มองมุมกลับมองต่างมุม กิเลด ช, ชอบมองมุมที่สดใสเบิกบานล่าเลงธรรมะจะให้มองในมุมกลับมองในมุมที่ไม่สดใสไม่ล่าเริงไม่น่ายินดีคือมองว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเห็นว่าออกไปแล้วจะต้องทุกข์นี่ไม่ไปดีกว่า ถ้าเห็นว่าถ้าไปได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาแล้วจะต้องทุกข์ไม่เอาดีกว่าจะเห็นว่ามันทุกข์ได้ก็ต้องเห็นว่ามันไม่เที่ยงส่วนใหญ่มักจะมองไม่เห็นความไม่เที่ยงกันเห็นอะไรมักจะเห็นว่ามันเที่ยงเห็นสินค้าเห็นข้าวของอนะไรักต่างๆเห็นแล้วก็คิดว่ามันจะเที่ยงมันจะเป็นอย่างนั้นเหมือนตั้งแต่วันที่ซื้อมาจากที่ร้าน แต่ถ้าลองคิดดูพิจารณาดูนะของทุกอย่างมันไม่เที่ยงนะของกินนี่เขามีป้ายเขียนไว้เดี๋ยวนี้ว่าขอให้รับประทานก่อนวันนั้นวันนี้ถ้าหลังจากวันนั้นแล้วมันจะเป็นไปอีกรูปแบบมันจะบูดมันจะเสียมันจะเน่ามันจะเป็นปฏิกูลขึ้นมาทันทีของทุกอย่างเป็นแบบนี้มันไม่เที่ยงมันไม่จริงรัง รูปร่างหน้าตาคนก็เหมือนกันมันก็ไม่จีรังมันไม่ได้สวยไม่หล่อไปตลอดเดี๋ยวมันก็ต้องออไม่สวยไม่หล่ออันนี้ไม่ถ้าไม่มีปัญญาจะไม่เห็นพอไม่เห็นก็จะชอบส่งจิตออกนอกแล้วพอส่งจิตออกนอกไปคว้าสิ่งนั่นสิ่งนี้มาเป็นสมบัติของตน แล้ววันใดวันหนึ่งเกิดมันไม่เที่ยงขึ้นมามันมีการดับไปมีการจากไปมีการเสียไปมันก็กลายเป็นทุกข์ขึ้นมาตอนที่ได้มาตอนตอนที่ได้มามันยังไม่ได้ไม่เที่ยงมันยังดีอยู่มันก็เลยสุขแต่พอทิ้งไปสักระยะหนึ่งแล้ว มันเกิดความไม่เที่ยงขึ้นมาเก euh, ิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเกิดความเสื่อมขึ้นมาเกิดการชํารุดทุดโทรมขึ้นมาเกิดความเสียหายขึ้นมาพอมันเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นมาสุขที่ได้ก็กลายเป็นทุกข์<__ <L> ไปอานนิจจังเกิดแล้วพอเกิดอา น, นิจจังทุกครั้งก็เกิดขึ้นมาทันที อั น, นั ต, นน ต, ตาก็ตามมาทันทีพอมันเป็นทุกข์เราก็ไม่อยากจะให้มันเป็นของเรานะโยนทิ้งดีกว่าเก็บไว้ทำไมเก็บไว้แล้วใช้ไม่ได้เก็บไว้แล้วมีแต่ทุกข์ไม่มีใครอยากจะเก็บความทุกข์ไว้เพราะอะไรเพราะฉะนั้นไม่ว่าสิ่งไหนก็ตามถ้ามันให้ความทุกข์กับเราเรามักจะไม่เก็บมันเอาไว้เป็นสมบัติของเราอีกต่อไป อันนี่คืออนิจจังทุกขังอนัตตาอสุภะปฏิกูลของเน่าเสียทั้งหลายเนีก่ก็ปฏิกูลถ้าเราเห็นของเหล่านี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอสุภะเป็นปฏิกูลเรียกว่าเรากาลังใช้ปัญญาเรียกว่าเรากำลังเจริญมรรค เรียกว่าเรากำลังดึงจิตให้เข้าข้างในนะจิตส่งออกนอกจิตไออยากได้ลูปเสียงกินลดเนี่ยเป็นสมุทไทยส่งออกนอกแล้วก็จะเกิดสมูทไทยถ้าส่งออกนอกโดยไม่มีปัญญาโดยไม่มีสติคอยควบคุมมันจะเป็นมันจะเป็นสมูทไทย ท, ทันทีแต่ถ้ามีสติมีปัญญาคอยกํากับคอยดึงไว้ มันก็จะเป็นมักพอมันออกไปข้างนอกมันเห็นรูปเสียงกลิ่นนสดถ้ามีปัญญามันก็จะเห็นว่าเป็นทุกข์เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเป็นอรสุภระเป็นปฏิกูลพอเห็นแล้วจิตมันก็หลบเข้าข้างในได้ไม่อยากจะออกข้างนอกแต่ถ้าไปเห็นว่ามันเป็นนิจจังสุขังอัตตาเป็นสุภระเป็น เป็นของหน้าดูหน้ากินนี่อันนี้มันก็จะเป็นสมุทัยขึ้นมาเกิดความอยากขึ้นมาอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์อยากได้าดลาภยศสรรเสริญถ้าอยากแล้วก็จะไปหามาพอได้มาแล้วก็ดีใจได้ความสุขเพราะตอนที่ได้มาใหม่ๆ ม, มันดีมันไม่เสียแต่ ถ้าอยู่กับมันไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องเสียมันก็ต้องหมดนะพอหมดสุขก็หมดไปพอพอสุขหมดไปทุกก็เข้ามาแทนที่นี่คือวิธีของการปฏิบัตินะถ้าเราต้องการให้จิตไม่เจอความทุกข์เราอย่าส่งจิตออกนอกอย่าอย่า อย่ส่งจิตออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายคอยสำรวมอินทรีย์คอยสำรวมอินทรีย์ด้วยศีลด้วยสติศีนก็จะคอยกั้นไว้ในระดับหนึ่งศีนก็จะห้ามไม่ให้ไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆไม่ให้ไปกินตามความอยากต่างๆกินได้เพราะร่างกายยังต้องกินอาหารอยู่แต่กินด้วย ความจําเป็นของร่างกายอย่า ก, กินเพราะความอยากกินถ้ายังไม่ถึงเวลาให้อาหารกับร่างกายก็อย่าเพิ่งรับประทานอย่าเพิ่งกินกินตามเวลาที่หมอสั่งเหมือนกินยาร่างกายกินอาหารแบบกินยาหรือกินอาหารแบบสมุ ท, ทยัยกินได้สองแบบ ถ้ากินแบบสมุทไทยก็จะผลิตความทุกข์ขึ้นมาต่อไปเพราะเวลาถ้าอยากกินแล้วไม่ได้กินก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาได้แต่ถ้ากินตามเวลาถ้ายังไม่ถึงเวลาก็ไม่กินก็จะไม่ทุกข์ใจเพราะไม่มีความอยากกินเวลากินก็ไม่ได้อยากกินกินเพื่อล้ับความหิวกินแบบกินยา เวลาไม่ได้กินยานี่มักจะไม่ทุกข์กันเพราะไม่มีใครอยากกินยากันเวลากินยานี้ไม่ได้กินด้วยความอยากกินด้วยความจําเป็นกินเพราะต้องการรักษาโาครคภัยไข้เจ็บความหิวของร่างกายก็เป็นโครคภัยไข้เจ็บของร่างกายอย่างหนึ่งก็ต้องกินยายาก็คืออาหารถ้ากินยา กินอาหารแบบกินยา ก, ก็จะไม่ได้กินด้วยความอยากพอไม่ได้กินด้วยความอยากความทุกข์ที่เกิดจากความอยากกินอาหารจะไม่มีนนี่คือกระบวนการของจิตจิตออกนอกเป็นทุกข์เป็นสมุ ท, ทยัยจิตเข้าข้างในเป็นมรรคเป็นนิโรธคือความสงบ ความดับทุกข์ความดับของทุกข์กนนิโรธคือความปราศจากทุกข์นั่นเองหรือการหลุดพ้นจากความทุกข์เรียกว่านิโรธนิโรธเกิดจากขบวนการของมรรคเกิดจากขบวนการของศีลศีล่อยห้ามปรามไม่ให้ไปไปหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเรียกว่าอินทรีสังวร สัมงมอนสำรวมตาหูจมูกริ้นกายด้วยสีแล้วก็มาสำรวมตาหูจมูกริ้นกายด้วยสติคอยดึงจิตให้ไปอยู่ที่มันห่างไกลจากแสงสีเสียงจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเช่นไปอยู่ตามสถานที่สงบสงัดวิเวกตามป่าตามเขาตามวัดป่าวัดเขา เป็นที่ห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสผุัพภะก็จะทำให้จิตไม่ส่งออกนอกได้เพราะส่งออกไปก็ไม่มีอะไรให้ดูให้ฟังนั่นเองรูปของรูปเสียงกลิ่นรสของป่าของเขานี้มันไม่ดึงดูดกิเลสมันจะจะไม่ดึงให้จิตออกข้างนอกจิตก็จะอยู่ข้างใน จิตอยู่ข้างในแล้วแต่จิตก็ยังไม่สงบจะให้จิตสงบก็ต้องหยุดตัวที่คอยดันจิตให้ออกข้างนอกอีกทีหนึ่งเพราะว่าถึงแม้จะไม่ได้ไปดูรูปไปฟังเสียงแต่ความคิดมันก็ยังอยากคิดถึงรูปเสียงกดลิ่นรสที่เคยได้เสพได้สัมผัสก็ต้องหยุด หรือแม้แต่โทรศัพท์มือถือนี่ก็เป็นมือก็เป็นรูปเสียงกลิ่นรสเหมือนกันพอเปิดเข้าไปมือถือนี่เดี๋ยวเห็นรูปของอาหารเห็นของขนมขึ้นมาก็เกิดความอยากกินขึ้นม า, เ, าเห็นรูปของสถานที่ท่องเที่ยวก็อยากจะไปเที่ยวเห็นรูปของเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าเห็นรูปของเพย เห็นรูปของแหวนเห็นสร้อยสร้อยเพชรแหวนเพชรอะไรต่างๆของพวกนี้ก็จะทำให้เกิดสมุทัยขึ้นมาได้เกิดต้นหาความอยากได้เห็ะนั้นผู้ที่ต้องการดึงจิตเข้าข้างในนี้จะต้องระมัดระวังกับเรื่องการใช้โทรศัพท์มือถือถ้าอยากจะใช้โทรศัพท์ก็เผื่อจะติดต่อเวลามีเหตุฉุกเฉิน ก็ไปซื้อเครื่องที่ไม่มีจอภาพดีกว่าเครื่องรุ่นแรกๆนี้มีแต่ตัวเลขไว้สำหรับกดจะได้รู้ว่ากดเบอร์อะไรถ้าอย่างนี้ใช้โทรศัพท์แบบนี้มันจะไม่ดึงจิตให้ออกข้างนอกแต่ถ้าใช้โทรศัพท์แบบสมัยใหม่นี่มันมีแต่สิ่งที่จะดึงจิตให้ออกข้างนอกมีรูปมีเสียงคอยดึงออกข้างนอกอยู่เรื่อย ก็ต้องปิดเครื่องไม่รับรู้ข่าวสารอะไรต่างๆเอาไว้ใช้เวลาชุกเฉินเวลาไม่สบายเวลาต้องใช้จริงๆค่อยเปิดเครื่องแล้วก็โทรออกแค่นั้นเองไม่รับสายโทรเข้าเวลาไม่ใช้โทรศัพท์ก็ปิดมันไปอย่างนี้ก็จ ะ, ะกำจัดรูปเสียงกิดลดที่จะมา ดึงจิตให้ออกข้างนอกได้ในระดับของตัวสั์มือถือ่อนะผู้ที่ต้องการให้จิตเข้าข้างในเพื่อให้เกิดไดโรอดเกิดความสงบขึ้นมาเนี่ยจาเป็นที่จะต้องกําจัดสิ่งต่างๆที่จะคอยดึงจิตออกข้างนอกกําจัดด้วยมรคนี่เองศีลก็เป็นมรศีลในที่นี้ก็คือศีลแปดขึ้นไปศีล8ศีลสิบ ศีลสองรอยิบเจ็ดเนีอันนี้จะเป็นตัวที่จะคอยเบรกไว้คอยกั้นไว้แต่ไม่ได้หยุดมันหยุดไม่ได้ศีลหยุดมันไม่ได้เพียงแต่กั้นไว้แต่จิตมันก็ยังทะเยอทะยานอยากอยู่ตัวที่จะหยุดการทะเยอทะยานอยากได้ก็มีสองตัวคือสติกับปัญญา สตินี้ก็จะหยุดการทะเยอทะยานอยากได้ชั่วคราวส่วนปัญญานี้จะหยุดการทะเยอทะยานอยากได้อย่างถาวรแต่เบื้องต้นนี้ก่อนที่จะมีกําลังที่จะใช้ปัญญาหยุดการทะเยอทะยานอยากอย่างถาวรได้ต้องอาศัยสติหยุดการทะเยอทะยานอยากแบบชั่วคราวก่อนเพราะหนึ่งการเจริญสตินี้ มันง่ายกว่าการเจริญปัญญาสองถ้าไม่มีสติจิตจะไม่มีกําลังจะใช้ปัญญาอย่างเดียวสอนจิตให้หยุดมันไม่หยุดมันไม่มีกําลังที่จะหยุดปัญญาไม่ใช่เป็นตัวกําลังปัญญาเป็นตัวบอกจิตให้รู้ว่าการส่งจิตออกข้างนอกนี้เป็นโทษเป็นภัยต่อจิตใจแต่ถ้าไม่มี กำลังที่จะหยุดการส่งออกถึงแม้จะสอนอยังไงก็หยุดไม่ได้ <Yeah. S 1> ดูคนที่ติดบุหรี่ติดสุราติดเที่ยวเนี่ยรู้อยู่ว่ามันไม่ดีเดิมสุรามันไม่ดีสูบบุหรี่ไม่ดีติดยาเสพติดไม่ดีแต่ก็หยุดไม่ได้เพราะไม่มีสติที่จะคอยดึงมันไว งั้นต้องมาฝึกสติดึงจิตให้เข้าข้างในให้ได้ก่อนพอเข้าข้างในได้แล้วทีนี้เวลามันจะออกข้างนอกอันนั้นนะถึงจะมาใช้ปัญญาบอกว่าอย่าออกไปนะออกไปแล้วเจอความทุกข์นะเหมือนคนที่อยู่อยู่อยู่ข้างนอกบ้านอยู่กลางพายุฝนอย่างี้ต้องดึงคนที่อยู่ อยู่นอกบ้านให้เข้าข้างในบ้านก่อนให้เข้ามาที่ปลอดภัยก่อนพอดึงคนที่อยู่นอกบ้านเข้ามาที่ปลอดภัยก็จะรู้ว่าข้างในบ้านนี้ดีกว่าข้างนอกบ้านแล้วพอจะออกไปข้างนอกบ้านก็จะได้เตือนใจว่าอย่าไปนะออกไปเจอพายุฝนไปเจอความทุกข์นะอันนี้ก็เหมือนกัน จที่ส่งออกนอกนี้เหมือนกับอยู่นอกบ้านอยู่กลางพายุฝนต่างกันตรงที่ว่าถึงแม้อยู่กลางพายุฝนถึงแม้จะอยู่กลางกองทุกข์กับไม่เห็นทุกข์กับคิดว่าเป็นความสุขไม่ยอมเข้าข้างในอ ย, อยากจะอยู่ข้างนอกเวลาทุกข์ก็ลืมไป คิดแต่ถึงความสุขที่ได้จากการที่อยู่ข้างนอกเท่า น, นั้นเองเลยไม่อยากจะเข้าข้างในะคนที่ติดยาติดบุหรี่ติดสุรานี่ก็เหมือนกัน่ะรู้ว่าทุกข์นะแต่ลืมมันไปคิดถึงแต่ตอนที่มันสุขตอนที่ได้สูบตอนที่ได้ดื่มสุราตอนที่ได้เสพยามันสุขสุขมันเลยไม่อยากเข้าข้างใน ถ้าจะให้มันเข้าข้างในนี้ต้องใช้สติบังคับมันเท่านั้นใช้ปัญญาไม่ได้ปัญญามันไม่มันไม่เชื่อฟังปัญญาบอกไม่ดีสูบบุหรี่ไม่ดีดื่มสุราไม่ดียุ่งกับคนนั้นคนนี้ไม่ดียุ่งกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ดีแต่มันอดยุ่งไม่ได้เพราะกำลังที่มันผักดันให้ออกไปมันมีกาลังมากกว่ากาลังที่จะดึงเข้า ถึงต้องมาสร้างกำลังที่ดึงเข้ามันถึงจะเข้าข้างไหนได้ถ้าสติมีกำลังมากกว่ากิเลสตัณหามันก็จะเข้าข้างไหนได้แต่ถ้าสติมีกำลังน้อยกว่ามันก็จะเข้าไม่ได้พอเข้าไม่ได้มันก็จะต้องทุกข์ทรมานไปกับเหตุการณ์ต่างๆกับสิ่งต่างๆที่มันไปติดอยู่ ถึงแม้จะมีปัญญาเนี่ยเราฟังเทศฟังธรรมกันจนหูฉีกแล้วพระพุทธเจ้าก็สอนตลอดเวลารูปังอนิจังรูปังทุกขังรูปังอนัตตารูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยเป็นอนิจังทุกขังอนัตตารู้กันแต่ทำไมยังไปหามันอยู่ทำไมยังติดมันอยู่ก็เพราะไม่มีกำลังที่จะเดึกมันเข้าข้างไหน จึงต้องมาฝึกสติกันสตินี่แหละเป็นผู้ที่จะดึงจิตเข้าข้างไหนได้ดึงจิตให้ออกจากรูปเสียงกิตลดพุทธพาได้ต้องฝึกสติกันให้มากๆสติพระพุทธเจ้าก็สอนไว้ถึงสี่สิบชนิดด้วยกันให้เลือกใช้เอาตามวาระโอกาสที่เหมาะสมถ้าโดยทั่วไปก็ให้ใช้พุทโธหรือใช้กายกะกตาสติ คือไม่ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่เราสามารถเจริญสติได้ด้วยการใช้คําบริการพุทโธหรือใช้การเฝ้าดูร่างกายของเราว่ากําลังทําอะไรอยู่อันนี้เรียกว่าเป็นการใช้สติในสภาพในชีวิตประจําวันก็แล้วกันตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยพอลืมตาขึ้นมาจิตจะส่งออกนอกทันทีก็ดึงกลับ ส่งออกนอกไงก็ออกไปด้วยความคิดไงคิดถึงคนนั้นคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมาทันทีถ้าอยากจะให้จิตอยู่ข้างในก็ต้องใช้พุทโธบริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือไม่เช่นนั้นให้มันนั่งให้มันเฝ้าดูว่าร่างกายตอนนี้กําลังอยู่ในอิริยาบถใดกําลังทําอะไรอยู่พอลืมตาขึ้นมาพอจะไปคิดถึงคนนี้ให้ามาคิดถึงร่างกายแทน ตอนนี้เรานั่งกายเราอยู่ในท่าไหนเอ๋อกําลังอยู่ในท่านอนะเราจะทําอะไรต่ออ๋อจะลุกขึ้นนะก็จะเปลี่ยนเดริยาบทจากท่านอนมาเป็นทาน่าท่านั่งอ๋อเปลี่ยนจากท่านั่งมาท่ายืนก็ให้รู้อยู่พอเดินพอไดพอยืนได้แล้วก็เดิ น, พ อ, ด น, พ, อดนพอเดินไปเข้าห้องน้ำก็อยู่กับนั่งกายไปทุกเดรยาบท กำลังไปล้างหน้าก็ล้างหน้าไปกำลังแปรงฟันก็แปรงฟันไปกำลังหวีผ้าหวีผมก็หวีผ้าหวีผมไปกำลังแต่งเนื้อแต่งตัวก็แต่งเนื้อแต่งตัวไปกับร่างกายไม่ให้จิตไปที่อื่นนี่ดึงมันไว้ผูกมันไว้กับร่างกายถ้าทำอย่างนี้เราเรียกว่ากายกตาสติให้ให้มีสติให้ให้สร้างสติด้วยการ ผูกใจให้อยู่กับการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายถ้าเราไม่มีกําลังพอที่จะผูกมันไว้ก็ใช้พุทโธดึงมาก็ได้พอมันจะคิดถึงคนนั้นคนนี้ก็ให้คิดพุทโธแทนพุทโธพุทโธไปแปลงฟันก็พุทโธไปล่างหน้าก็พุทโธไปหวีผมก็พุทโธไปแต่งเนื้อแต่งตัวก็พุทโธไปนี่คือการเจริญสติใน ในชีวิตประจำวันถ้าเรามีพุทธโธหรือมีกายะกตาสติจิตมันจะไม่สามารถไปคิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ได้จิตก็จะอยู่ข้างในถ้าไม่มีพุทธโธไม่มีกายะกตาสติพอตื่นขึ้นมาก็คิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่อง น, น, องนี้เดี๋ยวก็เตรียมตัวอาบน้ำอาบท่าเพื่อที่จะได้ไปพบกับคนนั้นคนนี้ไปทาเรื่องนั้นเรื่องนี้กันละ นี่คือความแตกต่างระหว่างการมีสติกับการไม่มีสติถ้าเราต้องการที่จะอยู่ข้างในไม่ต้องการออกข้างนอกเราต้องใช้สติดึงใจไว้แล้วเราก็ต้องหยุดภารกิจต่างๆที่ไม่จำเป็นไปให้หมดเคยทํางานก็ต้องลาออกจากงานไป เครเกี่ยวข้องกับใครก็ตัดการเกี่ยวข้องไปทั้งหมดเพื่อจะได้ไม่มีอะไรมาดึงใจให้ออกข้างนอกนั่นเองต้องตัดทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ข้างนอกที่จะมาคอยดึงใจให้ออกไปข้างนอกตัดมันไปให้หมดอันนี้ก็วิธีดีที่สุดวิธีที่จะตัดได้อย่างเต็มที่ก็คือไปบวชกันหรืออยู่แบบนักบวชกัน ไม่บวชแต่ก็ให้อยู่แบบนักบวชคือตัดทุกสิ่งทุกอย่างตัดภารกิจการงานต่างๆเหลือแต่ภารกิจที่จำเป็นเท่านั้นคือภารกิจเลี้ยงดูปากท้องของเรา mm hmm. ก็เพียงแต่ไปหาข้าวมากินไปอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็ดูแลความสะอาดของบ้านของเสื้อผ้าที่เราใช้ จะทําอย่างนี้ได้โดยที่ไม่ต้องไปทํางานทําการก็ต้องมีถ้าไม่บวชก็ต้องมีเงินสํารองเลยถ้าไม่บวชก็ต้องมีเงินสํารองถึงจะอยู่แบบไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับใครได้แต่ถ้าไม่มีเงินมันก็ต้องบวชถ้าไม่บวชมันก็อยู่ไม่ได้มันไม่มีเงินไม่มีเงินไว้สําหรับเลี้ยงดูปากท้องมันก็ต้องออกไปทํางานทําการ มันก็ต้องไปเกี่ยวข้องกับคนนั้นคนนี้มันก็จะไม่สามารถที่จะคอยดึงจิตเข้าข้างในได้เพราะเราไปสร้างเหตุการณ์ให้เราออกข้างนอกเองเข้า ใ, ใจไหมการไปทำงานทาอาญหาเงินหาทองหาหาข้าวหาของมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนี่ก็เป็นการสร้างภาวะขึ้นมาเองถ้าเราไม่อยากจะสร้างภาวะแบบนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงเมตตาทรง สร้างทางเลือกให้กับพวกเราทรงตั้งพระพุทธศาสนาขึ้นมาให้พวกเรามาบวชกันบวชเป็นพระก็ได้บวชเป็นชีก็ได้เหมือนกันไม่ต่างกันพระกับชีก็ปฏิบัติเหมือนกันเวลาปฏิบัติก็จิตเหมือนกันก็ยพยายามดึงจิตเข้าข้างในเหมือนกันอย่าไปติดกับรูปของพระรูปของชี อย่าไปติดกับสมมติของสังคมสังคมมักจะมองชีไปว่าเป็นด้อยกับพระเท่านั้นเองสังคมเลยไม่สนับสนุนชีเหมือนสนับสนุนพระเท่านั้นเองแต่ความจริงแล้วพระกับชีนี่เหมือนกันเป็นผู้ที่มีความปรารถนาที่จะดึงจิตเข้าข้างในเหมือนกันแต่สังคมเราก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นเรื่องของสังคม เพราะความเป็นไมความเป็นไปายเป็นมาของของพระกับของชีมันไม่เหมือนกันเครดิตของพระดีกว่าเครดิตของชีมันเป็นอย่างนั้นช่วยไม่ได้จะทำยังไงคนได้ศรัทธาพระมากกว่าศรัทธาชี่แต่แม่ชีบางคนนี้คนกับศรัทธามากกว่าพระก็มีมีก็ถ้า ถ้าสามารถพิสูจน์ตนว่าเหนือกว่าพระได้คนก็ศรัทธามากกว่าพระก็มีเพราะฉะนั้นอย่าไปอย่าไปอ้างว่าเป็นชีเป็นพระนี่มันมันด้อยกว่ากันมันไม่ได้ด้อยกว่ากันมันอยู่ตัวของคนที่เป็นพระเป็นชีต่างหากว่าทำตัวให้ด้อยหรือทำตัวให้เด่นเป็นหรือเปล่าพวกที่เป็นพระแล้วคนเขาเห็นแล้วก็เอือมละก็มีเยอะแยะไป พวกพี่เป็นชีคนที่เขาเห็นแล้วเขาศรัทธากาบว่าก็มีเยอะแยะไปอย่าไปกลัวคำว่าชีคำว่าพระเท่ากันต่างกันตรงที่ใส่สีไม่เหมือนกันแล้วก็การรับรองขังสังคมไม่เท่าเทียมกันเท่านั้นเองแต่ก็สามารถที่จะาสามารถที่จะอยู่ได้สามารถที่จะปฏิบัติธรรมได้ ชีก็ไปอยู่กับพวกชีด้วยกันมีสำนักชีที่เขาอยู่เขาก็อยู่กันได้เหมือนกับที่เขาอยู่เหมือนกับพระอยู่น้อมกันมีคนจัดทามีคนไปสนับสนุนชิดแม่ีเหมือนกับมีการสนับสนุนพระเหมือนกันเพียงแต่ว่าเรื่องของแม่ชีมีปริมาณน้อยไม่เหมือนกับของพระมีปริมาณมากกว่า และความเป็นไปเป็นมาของพระนี่มีมีเครดิตมากกว่ามันก็เลยเป็นเรื่องของสังคมสมมุตินิยมเขาก็มีศรัทธามากกว่าเท่านั้นเองแต่พูดถึงความเป็นจริงแล้วเหมือนกันพระก็ดีฉีก็ดีมีเป้าหมายเหมือนกันคือมีเป้าหมายเพื่อดึงจิตให้เข้าข้างในไม่ให้ส่งจิตออกข้างนอกเหมือนกันนะ ฉะนั้นสำหรับผู้ที่ต้องการปฏิบัติจริงๆอย่าไปลังเกีความเป็นแม่ชีเลยถ้าสามารถไปมีอยู่ที่สํานักไหนได้มันก็จะตัดภาระเรื่องของการที่จะต้องไปทํามาหากินได้ตัดภาระกับเรื่องที่จะต้องไปทํางานเก็บงเบงนินเก็บทองไว้แล้วการอยู่ร่วมกันนี้มันก็ดีนะดีกว่าการอยู่คนเดียวเพราะว่า การอยู่คนเดียวเนี่ยถ้าเราไม่เก่งจริงๆเนี่ยไปไม่รอดนะเพราะว่ามันต้องมีผู้สนับสนุนทางความรู้ถ้าไปอยู่กับสำนักแม่ชีต้องมีหัวหน้าแม่ชีที่เก่งที่เหมือนกับพระที่มีอาจารย์ที่เก่งก็จะมีอาจารย์คอยสั่งคอยสอนคอยเตือนแล้วก็มีเพื่อนปฏิบัติที่คอย คอยทำตัวอย่างทำเป็นตัวอย่างให้ดูบางสิ่งบางอย่างเราไม่เคยเห็นก็จะเห็นอย่างตอนต้นเราก็เคยปฏิบัติอยู่บ้านคนเดียวเราก็คิดว่าเราเก่งแต่พอเราไปบวชไปเห็นพระเขาปฏิบัติโอเ้เขาเก่งกว่าเราเองเขาอดข้าวทีละสามวันห้าวันเรายังไม่เคยอดเลยอันนี้เขาทำอะไรที่เราทำไม่ได้มีเยอะแยะมันดีตรงนี้ ดีกว่าอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวนี่กิเลสนักจะหลอกตัวเราเองว่าเราเก่งว่าเราดีเราพอแต่เมื่อความจริงพอไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเราไม่ได้เรื่องพอเราไปอยู่ตามสำนักที่เขาปฏิบัติกันเข้มข้นนี้ถึงจะเห็นว่าโอ้เรายังไปไม่ถึงไหนเลยเนี่ยมันดีตรงเนี้ยดีตรงที่ว่ามันจะมีเพื่อนสหธรรมิก ที่จะคอยฉุดคอยลากคอยดึงเราเพราะว่าเขาไปไกลกว่าเราพูดง่ายๆคือมีรุ่นพี่เหมือนที่ศิษย์นักศึกษานี่พวกปีหนึ่งก็ต้องอาศัยรุ่นพี่ปีสองปีสามคอยดึงคอยสอนอันนี้ก็เหมือนกันถ้าไปเรียนคนเดียวก็เหมือนเรียนรามเรียนรามมันกี่ปีถึงจะจบะ แต่ถ้าไปอยู่ตามมาหลาลัยที่เขาบังคับให้เข้าห้องเรียนไปอยู่เป็นกลุ่มไปศึกษาร่วมกันเขาก็จะมีตารางมีกําหนดเวลาคอยควบคุมบังคับให้เราทำกิจกรรมต่างๆถ้าเราอยู่คนเดียวเดี๋ยวเราก็เข้าข้างตัวเองปวดตรงนั้นบ้างเจ็บตรงนี้บ้างเมื่อยตรงนั้นบ้างเหนื่อยบ้างง่วงมากอะไรติป่าทะ เลยไม่ได้ทําอะไรเลยมีแต่นอนคลอกคลอกคลอกอมเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะแต่ถ้าไปอยู่กับตามสํานักนี่เขามีตารางตีสี่ตีละครั้งแก่งเก่งเก่งจะมาเจ็บมาปวดมาเมื่อยไม่ได้หรอกเขไม่ฟังนะถ้าไมไ่ถ้าไม่ได้หามจริงๆแล้วเขาไม่เชื่อหรอกอถ้าต้องหามจากเตียงอย่างเงี้ยถึงจะเชื่อว่ า, เ, าเจ็บจริงๆปว่วยจริงๆ แต่แต่ถ้าเวลาทำกิดนี้ทำไม่ได้แต่เวลากินนี้กินได้ <c oughs> <c oughs> ลุกขึ้วมากินได้นีเขาไม่เชื่อเนเพราะฉะนั้นเนีย่ยมันดีตรงนี้ไปอยู่ที่วัดป่าบ้านตานี่ถ้าไม่ถ้าไม่สบายถ้าไม่บินทบาทก็ไม่ได้กินนะเขาไม่ส่งอาหารไปให้นะเขาบอกว่าก็ถือว่า ถือว่าถือการอดอาหารเป็นการทำความเปลี่ยนไปก็แล้วกันถ้าไม่สบายก็อดอาหารไปไม่ต้องบินทบายแต่จะมาอ้างว่าไม่สบายแล้วให้ช่วยจัดอาหารมาให้กินนี่เขาไม่จัดให้เขาจะดัดสันดาลกิเลส น, นอกจากถ้าไม่กินสักสิบวันนี่เขาอาจจะมาดูว่าอาจจะป่วยจริงๆก็เขาก็อาจจะม า, าส่งอาหารให้ทีหลังแต ตอนที่ไม่สบายใหม่ๆวันสองวันนี่อย่าไปหวังให้เขาส่งอาหารนะไม่มีใครก็ส่งเอยนี่แหละเพราะมันไม่รู้ว่าเป็นกิเลสหรือเป็นของจริงนะถ้าไปอยู่กับวัดอยู่กับครูบาอาจารย์อยู่กับสำนักที่มีกฎมีระเบียบมีมีขั้นตอนมีเวลาของการปฏิบัติเนี่ยจะมาขี้เกียจไม่ได้นี ถึงเวลาทุกคนนี่ต้องพร้อมพรบกันหมดถึงเวลาปัดกวาดก็ปัดกวาดกันหมดถึงเวลาบินตบาดก็บินตะบัดกังหมดถึงเวลามารับฟังการอบรมสั่งสอนก็มาพร้อมกันหมดนทำอะไรพร้อมกันทุกอย่างอันนี้แหละมันดีตรงเนี้ยมันไปมีอะไรมาคอยฉุดมาคอยลากเราคอยป้องกันไม่ให้เราถลเเละถลายแต่ถ้าเราอยู่คนเดียวเนี่ยมัน เราชอบมักจะเข้าข้างตัวเองเลยสงสารตัวเองเลยเ <c oughs> นี่ยการสงสารตัวเราเองเนี่ยมันเป็นโทษนะพอเราสงสารไปในทางที่ผิดนะไม่สงสารไปในทางที่ถูกแล้วพอจะทำอะไรมากๆหน่อยก็หาว่าสุดโต่งขึ้นมาแล้วพอเราวัดวัดเราวัดตัวเราเองกับตัวเราเอง พอเราเคยทำอะไรมากกว่าที่เราเคยทำนิดหน่อยก็เห้เราสุดโต่งหรือเปล่าเนี่ยวันนี้เราจะอดอาหารทังวันนี่สุดโต่งหรือเปล่าต้องไปดูวัาที่เขาคนอดที่ห้าวันเจ็ดวันถึงว่าโอ้ย อ, อดวันเดียวนี้ยังไม่สุดโตง่งอ่ะ น, น, นี่ก็คือสำหรับท่านที่ยังกก้ากลัวอยู่กับการที่จะไปอยู่ตามสำนักต่างๆมีประโยชน์ตรงนี้ ถ้าได้ครูบาอาจารย์ที่ดีได้สำนักที่ดีจะได้จะช่วยได้มากจะหาได้หรือเปล่านั้นเอกเรื่องนะแต่ถ้าอยู่คนเดียวนี่คิดว่ายากการที่เราจะจะเรีนคืบหน้าไปถึงแม้จะมีเทศคาสอนของครูบาอาจารย์ให้ฟังก็ตามมันก็เพียงแต่ฟังไปเท่านั้นเองพอฟังเสร็จมันก็ลืมมันก็ไม่ได้เอาไปปฏิบัติ มันก็ปฏิบัติแบบเดิมๆตามที่มันเคยปฏิบัติอลองพิจารณาดูว่าเราปฏิบัติมากี่เดือนกี่ปีแล้วาการพัฒนาการปฏิบัติของเราคืบหน้าไปอย่างไรบ้างทำมากขึ้นทำหนักขึ้นหรือเปล่าหรื อ, อยังทำเท่าเดิมอยู่เนี่ยถ้าอยากจะวัดผลให้ไปวัดที่เหตุดูเหตุคือการปฏิบัติของเรา ว่าเราปฏิบัติเข้มข้นขึ้นหรือเปล่าหรือเจือจางลงไปเรื่อยๆใหม่ๆอาจจะเข้มข้นแล้วพอผ่านเวลาผ่านไปผ่านไปเอ้ยมันช่กจะจางลงจางลงพอเวลาเริ่มต้นใหม่ๆศรัทธาเันแรงไฟแรงเขาเรียกไฟแรงพอปฏิบัติไปสักพักพอมันไปไม่พอมันไม่ได้ผลแล้วทีนี้หรือไม่ได้ก้าวหน้าแล้วทีนี้มันเกิดความท้อแท้เบื่อหน่ายขึ้นมาแล้ว ทีนี้แหละมันจะไม่มีใครช่วยเราแถ้าเราพลิกตัวเราเองไม่ได้มันจะถูกความท้อแท้เบื่อหน่ายค่อยๆจุดลากเราให้ถอยไปแค่นิดเดียวหน่อยโดยที่เราไม่รู้สึกตัวมันอ้างเรื่องนั้นนิดบ้างเรื่องนี้นั่นบ้มันอ้างหาเรื่องที่จะไม่ให้เราปฏิบัติและพูดง่ายๆแต่เราไม่รู้สึกตัวไงเพราะมันทีน่เราเนตเทียหน่อยแต่ถ้าเรามา มาเปรียบดูระยะเวลาหลังเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งเราถึงจะรู้ว่าโอ้ยเราถอยมาเยอะนะเราควรที่จะปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวนี้เราไม่ได้ปฏิบัติเลยอันนี้เป็นปัญหาของการที่เราปฏิบัติอยู่ตามลาพังยกเว้นว่าเราเป็นคนที่เก่งจริงๆเป็นคนที่มีมีความสามารถที่จะควบคุมตัวเรา ควบคุมการปฏิบัติของเราไม่ให้ย่อหย่อนแต่มีแต่ให้มันเข้มข้นมากขึ้นไปได้ตามลำดับอันนี้ก็อยู่คนเดียวได้ไม่มีปัญหาเลยแต่ถ้าไม่มีวินัยในตัวเองไม่สามารถควบคุมการปฏิบัติของตนให้เข้มข้นได้อันนี้มันก็จะไปไม่ถึงไหนก็ต้องลองวัดดูว่าเราได้ ปฏิบัติอยู่คนเดียวมาเป็นเวลาขณะนี้แล้วเป็นยังไงบ้างอาลองไปเปลี่ยนไปอยู่ตามสำนักที่เขามีการควบคุมให้เข้มข้นดูสักระยะหนึ่งเปรียบเทียบกันดูว่าดีไหมดีกว่าที่เราอยู่คนเดียวหรือไมอ่อันนี้มันก็จะมันต้องมีวิธีแก้ปัญหานะไม่งั้นมันก็จะติดอยู่ที่เดิมถ้าปฏิบัติมากี่ปีกี่เดือนมันก็ไม่เคลบหน้าไม่ก้าวหน้า มันก็ต้องเริ่มค้นคว้าแล้วหาสาเหตุแล้วทําไมมันถึงไม่คืบหน้าไม่ก้าวหน้าพระพุทธเจ้าท่านก็นรับรองแล้วว่าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีอันนี้มันลุกกี่ปีมาแนละ้วมันก็ยังเหมือนเดิมแสดงว่าเราปฏิบัติน้อยเพราะเหตุมันผลมันอยู่ที่เหตุเหตุก็คือการปฏิบัตินะ สติเราเข้มข้นขึ้นหรื อ, อยังเออสมาธิเราสงบได้นานหรื อ, อยังนิ่งได้นานหรื อ, อยังะปัญญาเราเฉียบแหลมเฉียบคมว่องไวไหมทันการกับกิเลสไหมพอกิเลสว่านิจจังสุขังอัตตาปัญญาตามมาทันหรือเปล่าเดี๋วไปทันที่ร้านทันที่มันซื้อมาแล้วซื้อมาแล้วถึงจะรู้ว่ามันนนิจจังทุกขังอัตตาเนี่อยอันนี้ยังเรียกว่าไม่ทัน พอมันคิดอยากจะได้อะไรปั๊บมันต้องอันนี้จังทุกขังอนัตตามาแล้วพอคิดอยากจะอยู่หาแฟนก็ต้องอันนี้ต้องอดสุภาษเข้ามานะพอคิดถึงอยากจะกินอาหารเวลาที่ไม่ใช่เวลากินอาหารก็ต้องปฏิกูนอาหารมาแล้วอันนี้แหละมันเป็นตัวที่เราจะต้องสร้างขึ้นมาคือมรรคเนี่ยสติสมาธิปัญญาสีลสีลแปดเนี่ย ศีล ส, ส, สมาธิปัญญาส่วนเนื้อทานนี้สําหรับผู้ปฏิบัตินี่ก็หมดปัญหาไปแล้วถ้าไปบวชเป็นพระก็มีเงินทองเท่าไหร่ก็ยกให้คนอื่นไปหมดแล้วถ้าเป็นผู้ปฏิบัติก็เก็บเงินทองไว้สําหรับเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเป็นค่าอาหารค่าที่อยู่อาศัยเท่านั้นห้ามเอาเงินทองนี้ไปใช้อย่างอื่นไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องการทําทานนะอย่าไปงาน ทอดป้าป่างานทอดกรถินงานครูบาอาจารย์อะไรต่างๆอันนี้ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของผู้ที่ต้องการดึงจิตเข้าข้างในเรียกว่าไม่ใช่เป็นหน้าที่ของนักบวชเป็นหน้าที่ของนักบุญนักบุญก็คือผู้ที่ยังไม่สามารถที่จะปฏิบัติทำได้ก็ต้องอาศัยการทำบุญนี้เป็น เป็นธรรมะหล่อเลี้ยงจิตใจไปก่อนนะถ้าเรายังไม่ได้ปฏิบัตินี้เราควรจะไปทําบุญทาให้แหลกเลยทุกแห่งทุกคนเลยใครจะสร้างโบสถสร้างเจดีย์ที่ไหนใครอยานเลี้ยงฉลามครูบาอาจารย์ที่ไหนผ้าป่ากรถินเกี่ยที่ไหนไปให้หมดเลยนะถ้าเป็นนักบุญนี่ไม่ห้ามเลยแต่พอมาเป็นนักบวชแล้วต้องหยุดแล้วอันนี้เพราะไม่ใช่เป็นกิจกรรมของนักบวช กิจกรรมของนักบวช ต, ต้องดึงจิตเข้าข้างในอย่างเดียวถ้าไปทอดพระป่ามันก็ออกไปข้างนอกนะไปงานกระถินมันก็ไปข้างนอกนะยั น, นถ้ามาถ้าเราถือว่าเราเป็นนักบวชนักปฏิบัติแล้วเราต้องหยุดเรื่องของการทำบุญทำทานไปหรือถ้าอยากถ้าอยากจะทำก็ทำมันแบบง่ายๆทำมันหนเดียวมันจบไปเลยอยากจะทำเม่าไหร่มีเท่าไหร่ก็โอนเงินเข้าวัดไปเลย จะได้หมดปัญหาไปจะได้ไม่มีเงินทําบุญอีกต่อไปใครมาช่วยไปทอดพระป่าบอกว่าฉันทําหมดแล้วใครมาช่วยไปทอดกรินหมดทำมาหมดแล้วตอนนี้ต้องการดึงจิตเข้าข้างในอย่างเดียวตอนนี้ต้องการศีลต้องการสมาธิต้องการปัญญาต้องการสติเท่านั้นไม่ต้องการอย่างอื่นแล้วต้องรู้จักฐานะของเรานะนัก ป, ป, นปฏิบัติบางทีสับสนบางทีก็เปลี่ยนเป็นนักบุญโดยไม่รู้สึกตัว เพื่อนมาชวนไปทอดกระถินก็ไปมาชวนไปงานวันเกิดของครูบาอาจารย์มูติตาจิตก็ไปเนี่ยโดยไม่รู้สึกแต่ว่าได้ปล่อยจิตออกข้างนอกแล้วปล่อยเอาไปทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้ว อย่างที่วัดป่าบ้านตานี่หลวงตาท่านไม่ให้พระรับกิจนิมนต์เนี่ยออกไปข้างนอกรับกิจนิมนต์มันก็ออกไปข้างนอกนะหลวงตาท่านทับหน้าที่แทนถ้ามีใครอยากจะมานิมนต์พระหลวงตาเป็นคนรับคนเดียวไปแทนพระทั้งวัดแต่ถ้าต้องการพระก้ารูปหลวงตาก็ถามว่าจะเอาอยัางไงเอาพระก้ารลูบเราก็ไม่ไป ถ้าจเจ้าเราก็พระไม่ลงไปเราไปท่า <c oughs> เขาก็เลยท่านเอาท่านไปองเดียวเนี่ยหลวงตาท่านรักษาพระอย่างเงี้ยเนี่ยท่านไม่เคยพาพระไปทำวัดครูบาอาจารย์ต่างๆนะเวลาเข้าพรรษาตามธรรมเนียมจะต้องพาไปกราบครูบาอาจารย์รูปนั้นรูปนี้ไปแสดงคารวะแต่ที่วัดปา่าบรรทัดไม่ต้องไปให้ปฏิบัติบูชาอย่างเดียวไม่ต้องไปอามิษฐ์บูชาไม่ต้องไปกราบครูบาอาจารย์องค์นั้นองค์นี้ที่นั่นที่นี่ พอออกไปแล้วใจมันส่งออกแล้วพอกลับเข้าวัดนี้ <c oughs> กายเข้าวัดแล้วแต่ใจมันยังไม่ยอมเข้าใช่ไมมันยังไปติดอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสที่เห็นตามทางอยู่นี่ย น, นะพอเรากลับมาจะเข้าจะดึงใจให้เข้าสู่ความสงบนี้ก็ต้องเสียเวลามากไปแล้วไม่คุ้มถ้ามองจากมุมของนักปฏิบัติแล้วการออกข้างนอกไปทาบุญต่างๆนี้มันไม่คุ้มเพราะมันดึงใจออกข้างนอก แล้วพอกลับเข้าวัดพอจะดึงใจกลับเข้ากลับมาที่เดิมตอนกลับมาเหมือนตอนที่ยังไม่ได้ออกไปนี้ต้องเสียเวลามากก็เลยเหมือนกับรถไฟใช่ไหมรถไฟที่จอดกับรถไฟที่ไม่จอดนี่ใครจะเร็วกว่ากันรถด่วนกรุงเทพเชียงใหม่นี้ไม่กี่เที่ยงโมงถ้าเป็นรถธรรมดาจอดทุกป้ายนี่เป็นยังไง รถไฟนี้มันกว่าจะจอดได้มันต้องเสียเวลามากใช่ไหมกว่าจะเบร ก, กว่าจะหยุดได้แล้วพอจะออกจะวิ่งกว่าจะให้มันกลับให้มันวิ่งเร็วเท่ากับตอนที่มันก่อนที่มันจะจอดมั้นก็ต้องใช้เวลาเนี่ยมันเสียเวลาการออกข้างนอกก็เหมือนกันผู้ปฏิบัติถ้าส่งจิตออกนอกมันก็จะไปไม่ถึงไหนจะเป็นเหมือนรถไฟรถไฟที่จอดทุกปลายทุกสถานี ถ้าอยากจะไปให้ถึงจุดหมายปลายทางอย่างรวดเร็วนี้ต้องไปแบบรถด่วนไปแบบไม่จอดเข้าข้างในแล้วไม่ออกเข้าแล้วก็อยู่ข้างในเอาให้กิเลสมันตายก่อนถึงจะออกนะพระพุทธเจ้านี้ถ้ากิเลยังไม่ตายท่านไม่ลูกจากที่นั่งเห็นไหมนั่งอยู่ตรงคนคนต้นโพไปจนกว่ากิเลสมันจะตายหมดพอตายหมดแล้วท่านถึงจะออกมาได้ทีนี้ออกมาแบบไม่มีกิเลกก็สบาย เพราะว่าออกมาแบบไม่ประยึดไปติดกับอะไรออกมาก็สักแต่ว่ารู้เห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินอะไรก็สักแต่ว่าได้ยินนไม่มีสมุ ท, ทยัยไม่มีตัณหาความอยากกับสิ่งที่ได้สัมผัสรับดูถ้าออกมาอย่างนี้ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาแต่จะออกมาแบบนี้ได้ก็ต้องฆ่ากิเลสให้มันตายให้หมดก่อนฆ่าสมุ ท, ทยัยฆ่าตัณหาที่มีอยู่ในใจให้มันหมดสิ้นไปก่อนน ถึงจะออกมาพอพระพุทธเจ้าตารัสรู้แล้วทีนี้ก็มาแสดงธรรมสอนคนอื่นแล้วเมื่อก่อนนั้นหกปีไม่เคยสอนใครพยายามดึงจิตเข้าข้างในเพียงอย่างเดียวเพราะรู้ว่าเวลาดึงจิตออกเวลาจิตออกข้างนอกจิตมันร้อนเวลาจิตเข้าข้างในแล้วมันเย็นมันสบายแต่ยังไม่รู้จักวิธีว่าจะดึงมันแบบให้มันอยู่ข้างในอย่างถาวรได้อย่างไร ให้มันดึงให้มันอยู่ได้แบบชั่วคราวเท่านั้นคือใช้ใช้สติดึงไว้เพราะไม่มีใครรู้วิธีของปัญญาเพราะพุทธเจ้าเลยต้องมาค้นหาด้วยด้วยปัญญาพอเจอตายลากเจออริยสัจสีก็รู้เลยเทีนี้สอนจิตให้มันเห็นตายลากักเห็นอริยสัจสีมันก็จะไม่ออกข้างนอกแล้วเพราะมันออกออกไปมันก็ทุกข์อยู่ข้างในสบายกว่า กิเลสตัณหาที่อยากจะออกเลยไม่มีพอไม่มีแล้วก็ออกมาได้ออกมาแบบไม่มีอะไรดันออกออกมาด้วยความมีเหตุผลออกมาแสดงธรรมออกมาโปรดสัตว์เนี่ยอันนี้ออกมาแบบนี้ไม่เป็นปัญหาอะไร น, นี่คือเรื่องของคำสอนสั้นๆของหนงปู่ดุลที่เราเอามาเริ่มการพูดธรรมะในวันนี้ว่าจิตทรงออกนอกเป็นสมุทยัย จิตเข้าข้างในเป็นมากเลยก็ขอให้ท่านจงนำมาไปพิจารณาเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาเรวาหาปุราปาริปุเรนติสากลังเอวเมวะอิตโตทินนางเปตานังอุ ป, ปกาปติ ยิจิตังปัจจิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจะตุสัพเพโปรเณตุสังกับปจันโทปันาระโสยธาเมณิโชติภะระโสยธาสัพพิติโยวิวัชานตุ สัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาตนาสีลิตสนิจังวุทธาปจายโนจตารโธรรมาวัฏานติอายุวโนสุขังภาลั วันนี้เข้ามาเท่าไหร่คะยอดวันนี้ f a c e b o o สามร y อยเจ็ดสิ4แปดยสองร้อยสาสิบสี่วิทยุออนไลน์สิบสี่ผู้รับฟังบนเขาสามสิบเก้ารวมทั้งสิ้นหกร้อยหกสิบสองท่านค่ ะ, ะ, ะมีคำถามรอเปล่าส่งไปส่งไหมก็ฟนไปครับพระาจันย์ พูดใกล้ปากนะอัาบนาสมาธิกับเอกคตาเป็นสภาวะเดียวกันนะครับออันเดียวกันเอกขัตตารมณกับตูวเบขานี่จะเกิดถ้าได้อาบนาสมาธิเอกขัตตารมก็คือสักแต่ว่ารู้จิตเหลือแต่ผู้รู้อยู่ตัวเดียวสักแต่ว่ารู้ไม่มีอารมณ์ต่างๆให้รับรู้ก็เมันดับที่ที่ปัญญาเลยป่ะครับเวลาสัตัตช์หลงคานหลังคาน สังขารเวทนาสัญญาสังขารมันจะพักชั่วคราวครับถ้าอย่างนั้นสภาวะนิพพานก็เป็นอสุขแล้วก็มีแต่ตอนแล้วก็เที่ยงถูกต้องไหมครับสภาวะของนิพพานก็คือไม่มีทุกข์ไม่มีกิเลสมไม่มีความอยากต่างๆที่จะมาผลิตความทุกข์ แต่ยังสามารถใช้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่ยังมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่แล้วถ้าขถ้าขันดับเนี่ยยังขันดับก็ดับรูปเดียวขันขันคือร่างกายดับแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารอยู่กับจิตนั่นจิตไม่ดับพระพุทธเจ้ายังติดต่อพวกเราได้ถ้าท่านอยากอยากเข้ามาหาเราขอเราเปิดเครื่องรับไว้ท่านหลวงปู่มันนท่านเปิดเครื่องรับได้ มีพระพุทธเจ้ามีพระอรหันต์มาแสดงธรรมให้ท่านฟังอยู่เรื่อยๆครับถูกครับเพียงแต่ว่าท่านไม่มาเกิดไม่มีมาไม่มามีร่างกายนะท่านเองแต่ท่านยังอยู่อยู่แบบมนุษย์ล่องหนอ่ามีคำถามทางบ้านก็ถามได้ค่ะคำถามเจ้าคุณสุปราณี ทำอย่างไรเราจึงกรวดน้ำให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วด้วยบุญแต่เราจำชื่อผู้ตายไม่ได้ค่ะจำชื่อไม่ได้แล้วก็จำเขาได้หรือเปล่าว่าเขาเป็นใครวายคนนั้นแหละคนที่เรารู้จักขออุทิศส่วนบุญให้เขาไปก็ได้เหมือนกันไม่ต้องจำชื่อก็ได้จำว่าคนที่เคยมาช่วยเหลือเราทำอาหารให้เรากินเนี่ยเขาตายไปแล้วขอส่งบุญให้คนนั้นด้วยนะอันนี้ก็ได้เหมือนกัน ไม่ต้องจำชื่อก็ได้ขอให้จำตัวให้ได้ก็แล้วว่าเป็นใครคำถามจากคุณภาคกรกลับเรียนถามพระอาจารย์ครับเวลานั่งสมาธิแล้วลมหายใจแผ่วเบามากจนแทบจะจับไม่ได้แต่ยังรู้สึกได้น้อยมากๆไม่หมดไปเสียทีเดียวควรปฏิบัติอย่างไรต่อไปครับก็ดูต่อไปดูเหมือนตอนที่มันจับลมได้ จับไม่ได้บ้างไม่ได้บ้างก็ดูว่าลมมันแผ่วมันเบาไปตามธรรมชาติของมันหน้าที่ของเราไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับลมไม่ไปจัดการกับลมหน้าที่ของเราให้ดูลมไปคําถามจากคุณ อ, อมสิรินกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะหนูฟังธรรมะพระอาจารย์แล้วนําธรรมะไปสอนพ่อคือพ่อเป็นโรคหัวใจแล้วพอหนูให้พ่อเลิกบุหรี่ แต่พ่อบอกว่าสูบุหรี่แล้วทำให้จะสบายใจไม่ปวดหัวหนูเลยสอนพ่อว่าแค่กิเลสมันหลอกพ่อจริงๆมันแค่ความอยากพอพ่อได้ทำตามความอยากเลยทำให้รู้สึกโล่งรู้สึกสบายพ่อก็แค่ทำตามความอยากแต่พ่อกลับมาว่าหนูว่าอย่าเอาธรรมะสมัยใหม่มาสอนพ่อหนูเลยพูดกลับไปว่าธรรมะไม่มีสมัยใหม่ สมัยเก่าธรรมะไหนๆก็คือคำสอนเดียวกันจากพระพุทธเจ้าแบบนี้คือเราเถียงพ่อหรือเปล่าคะเราจะบาปไหมแล้วเราจะเอาธรรมะแบบไหนที่วัยรุ่นอย่างเราจะนำไปสอนผู้ใหญ่วัย80ได้คะ อ, อ๋อก็อย่าไปสอนไงนั่นแหะธรรมะวัยรุ่นคืออย่าไปสอนผู้ใหญ่ถ้าผู้ใหญ่ไม่ถามไม่ต้องไปสอนถ้าผู้ใหญ่ถามสอนได้ ถ้าอยากจะรู้ว่าลูกฉุกุลี่ดีไม่ดีบอกไปเลยแสดงธรรมไปเลยแต่ถ้าเขาไม่ได้มาลาธนาธรรมไม่ต้องไปแสดงธรรมเอาเห็นไหมพระยังแสดงธรรมไม่ได้เลยถ้าญาติโยมไม่มาลาธนาอยู่ดีๆไปเคาะประตูบ้านบอกมะมาฟังเทศน์ฟังธรรมเดี๋ยวก็ถูกเขาไล่กับวัดฉะนั้นการแสดงธรรมนี่เนื้อ การสอนผู้ใหญ่นี้ต้องต้องให้เขาพร้อมที่จะรับคำสอนของเราถ้าเขาไม่พร้อมอย่าไปสอนเหมือนกับคนที่คว่ำแก้วไว้อย่าไปเทน้ำใส่แก้วที่มันคว่าอยู่เทไปจนมันตายมันก็ไม่ติดเข้าไปในแก้วแม้แต่หยดเดียวร้อยก็หงายแก้วขึ้นมาก่อนพอหงายแล้วเทให้มันล้นไปเลย <c oughs> ถ้าพ่อเขายังไม่ได้ขอร้องข้าว่าช่วยสอนพ่อไหนไม่ต้องไปสอนพ่อหรอก ไม่ดีไม่ถูกไม่ใช่ฐานะของลูกใครเห็นน้ําตกมันไหลขึ้นไม้มน้าตกมันมีแต่ไหลลงเนี่ยผู้ใหญ่มีความรู้มากกว่าผู้น้อยผู้ใหญ่นี่ให้ความรู้กับผู้น้อยไม่ใช่ผู้น้อยไปให้ความรู้กับผู้ใหญ่นอกจากผู้ใหญ่ต้องการรู้อะไรที่ไม่รู้นี่ก็เป็นกรณีนึงแต่เรื่องธรรมดาปกติผู้ใหญ่รู้มากกว่าผู้น้อย นี่เขาจะเรียงเรามาได้ยังไงสอนให้เราโตขึ้นมาได้ยงไงภาษาเราเรียนจากใครเราก็เรียนจากพ่อแม่เลยการกินการอยู่ของเราเราเรียนจากใครก็พ่อแม่สอนเราทั้งนั้นแล้วจะไปสอนพ่อแม่ทําไมน่า้ไงหดเก่งขึ้นม า, าห่วงก็หวห่วงก็ตายไม่ห่วงก็ตายคนละเรื่องกัน มันไม่รู้จักฐานะไม่มีปัญญาไม่รู้ตนไม่รู้บุคคลอธายไมเต่างศาสนาพูดนี่สอนให้รู้แค่เจ็ดอย่างพอรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้บุคคลรู้สังคมรู้ประมาณรู้กาลเทศะแค่นี้ก็สามารถอยู่ในโลกนี้อย่างไม่มีเรื่องมีราวกับใครได้เกงดีกว่าพวกที่จบปริญญาเอกเส็ ยิ่งยิ่งเรียนสูงยิ่งอดแก่งใหญ่แต่พวกที่เขารู้เหตุรูผลเขาจะดูรู้ตนรู้บุคคลรู้กาลเทศะรู้ว่าเป็นเวลาสมควรที่จะพูดหรือไม่พูดสอนหรือไม่สอนสอนแล้วได้ได้ผลหรือไม่ได้ผลสอนแล้วได้เรื่องไปสอนทำไมจะไ่สอนแล้วไปทะเลาะการไปโกรธการเกลียดกันไปสอนทาไมสอนแล้วมันต้องได้ประโยชน์เนี่ย ไม่รู้จากการลาเทสะไม่รู้ตนไม่รู้บุคคลไม่รู้ว่าบุคคลคือพ่อไม่รู้ตนว่าตนคือลูกเนี่ยไม่รู้จากฐานะเนะีน่ยะมาสอนตัวเองดีกว่าอย่าไปสอนคนอื่นเลยสอนตัวเองก่อนสอนให้รู้ให้เจ็ดอย่างนี้ก่อนนะนะชอบสอนกันนะักบางทีบางคนก็มาสอนเราก็มีนะลูกศิษย์ หลวงพ่อทำไ ม, ไม่ทำอย่างนั้นทำไม่กินแน่นั้นทำไม่กินได้ น, น, น, ดนี่เป็นห่วงเป็นห่วงพวกนี้เราขับไล่ไปหมดเราไม่ยุ่งด้วย <c oughs> พวกที่มาอวดเก่งไม่ใช่ว่าเราถือว่าเราเก่งนะแต่เราไม่ถ้าเราไม่ต้องการคาสอนเขาอย่ามาสอนคำถามจากคุณพีโกเรียนถามพระอาจารย์กิเลส ต, ตัวโลภกับตัวโกรธ ธรรมะพระโสดาบันฆ่ากิเลสสองตัวนี้ได้หรือยังครับถ้าไม่ได้ต้องเสริมอะไรบ้างครับยังหรอกยังมีความอยากอยู่ตราบใดยังมีความอยากอยู่ยังเกิดความโลภเกิดความโกรธได้อยู่แม้แต่พระอนาคามีก็ยังมีความโลภความโกรธได้อยู่เพราะยังมีความอยากเหู่มีพระอรหันต์เท่านั้นอ่ะพระหั์พระพุทธเจ้าท่านที่จะไม่มีความโลภความโกรธ เองก็ต้องเสริมสติปัญญาพิจารณาอ น, นิจจังทุกข์ขันธ์ตาให้มันครบทุกอย่างพระโสดาบันพิจารณาเพียงส่วนของร่างกายเท่านั้นเองส่วนอื่นยังไม่ได้พิจารณาส่วนพิจารณาเพียงแต่เรื่องของความเกิดแก่เจ็บตายนะแต่ยังไม่ได้พิจารณาอสุภะอะไรและยังไม่ได้พิจารณาเรื่องจิตเรื่องอารมณ์อกีกเมันต้องมีต้องตัดให้หมดความอยากต่างๆ ในเวทนาในจิตในธรรมเนี่ยต้องตัดมันให้หมดมันถึงจะไม่มีความอยากไม่มีความโลภหลงเหลืออยู่แล้วพอไม่มีความโลภความอยากแล้วความโกรธก็จะไม่มีคําำถามจากคุณดิศยากราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะเวลาเราเวลาเราโดนแซงคิวนอกจากมีสติทำใจไม่ให้ขุ่นมัวเราควรปล่อยให้เขาแซงหรือเราควรบอกเขาดีคะ ก็ให้รู้จักการละเทสะพูดไปแล้วถ้าต้องตีกันก็อย่าพูดดีกว่าถ้าพูดแล้วเขาขอโทษค่ะขอโทษค่ะอย่างนี้ขอโทษครับอ็าอพูดถ้าไม่รู้ว่าจะเกิดผลยังไงก็อย่าไปพูดดีกว่าอย่าไปเสี่ยงเดี๋ย ว, วดินเงินตายได้ไดเนี่ยคำถามจากคุณบินิเมต กราบถามว่าทําอย่างไรเราจะได้บุญในทุกวันทุกที่คะก็ใส่บาตรทุกวันเจอใครก็มีเงินก็แจกเขาไปเยวที่ไหนเจอใครก็เอาเงินให้เขาหยิบกันให้เขาทุกที่ทุกแห่งทุกคนถ้าไม่มีเงินก็แจกอย่างอื่นแจกยิ้มก็ได้เพียงแต่ยิ้มนี่ก็ทาก็เป็นบุญละพอยิ้มให้ใครเขาก็มีความสุขแต่ต้องรู้จักยิ้มนะเดี๋ยวไปยิ้มให เดี๋ยไปยิ้มไปยิ้มผิดที่เดี๋ยว จ, จะเจ็บเจ็บตัวก็แล้วคำถามจะคุณกิตติกรรมเก่าหลายภพหลายชาติส่งผลในชาติปัจจุบันจริงไหมครับถ้ามันยังไม่หมดมันก็ส่งได้ทั้งนั้น่ะกรรต่างๆที่เราทํามันเหมือนปลูกต้นไม้ไว้ต้นไม้แต่ละชนิดมันก็ให้ผลไม่ไม่ไม่พร้อมกัน บ า, บางต้นก็ใช้เวลาหลายปีบางต้นก็ใช้เวลาหลายไม่กี่เดือนเพราะฉะนั้นเราเราปลูกต้นไม้ไว้เยอะเปนเยอะแยะดัน้นเวลามันจะออกดอกออกผลมันก็เลยไม่พร้อมกันถ้ามันออกไม่ทันชาตินี้มันก็ไปตามออกชาติหน้าต่อได้ไม่ว่าบาปหรือบุญเหมือนกันคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะ การอยู่ร่วมกับคนที่เราไม่ชอบเขาและต้องทํางานด้วยกันจะต้องทําอย่างไรคะเมื่อร่วมงานแล้วเห็นเขาออเอาเปรียบแล้วเราเป็นทุกข์และเกิดอารมณ์โกรธคะ่ะก็ให้ความเมตตากับเขาถ้าเขาไม่รับก็ใช้อุบเบกขาไปเฉยๆไปเนี่ยมันมนี่กรณีแล้วแต่ว่าเราจะใช้อย่างไรถ้าให้เมตตาได้ก็ให้เมตตาไปอ ให้อภัยเขาอย่าไปโกรธเขาเวลาเขาทาอะไรที่เราไม่ถูกใจเนี่ยหรือว่าเาเจอกันก็พักทายกันหรือว่าถ้าอยากจะให้เขามีความสุขก็มีขนมก็มาฝากกันมาแบ่งกันอันนี้ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ดีหรือว่าเขาเราไม่อยากจะอยู่กับเขาแต่เราก็ถ้าต้องอยู่เราก็ใช้ความเมตตาเราจะได้สบายใจ แล้วถ้าเขาไม่รับความเมตตาของเราให้ขนมนเขาก็ขอคืนส่งคืนมาอะไรส่งยิ้มให้เขาก็ไม่ยิ้มกลับเราก็ใช้อุเบกขาต่อไปเฉยๆไปตัวใครตัวมันแต่ไม่ต้องไปเพ่งโทษไม่ต้องไปอะไรกันตามฝ่ายต่างอยู่กันไปคำถามจากคุณปราณีพระอาจารย์เจ้าคะตอนนี้โยมีความทุกข์ทางด้านจิตใจ คือสามีเป็นมะเร็งทางทวารหนักอยากให้พระอาจารย์ชี้แนะการวางใจกราบสาธุในเมตตาเจ้าค่ะอันนี้ก็ต้องใช้อุเบกขาในเมื่อเราไม่สามารถช่วยเขาได้เราก็อย่าไปทุกข์กับเขาถ้าเราอยากให้เขาหายหรืออยากจะให้เขาสบายแต่เราทำไม่ได้เราก็จะทุกข์เมื่อเรารู้ว่าเราทำอะไรให้เขาไม่ได้เราก็ต้องทำใจเฉยๆอุเบกขาไปถ้าถือว่ามันเป็นเรื่อง กรรมของเขาถึงเวลาที่เขาจะต้องแก่เจ็บตายไปตามธรรมชาติของร่างกายห <c oughs> รือแม้หรือแม้แต่ร่างกายของเราก็เหมือนกันเราก็ต้องใช้อุเบกขากับร่างกายของเราในเมื่อมันจะต้องเจ็บมันจะต้องตายแล้วทําอะไรไม่ได้ก็อุเบกขาไปอย่าไปทุกข์กับมันทุกข์แล้วไม่เปิดประโยชน์อุเบกขาดีกว่าไม่ทุกข์สบาย <c oughs> สักแต่ว่ารู้ไป คำถามจากคุณจิตนาภาถ้าเราทําบุญกับพระศีลไม่เต็มไม่ไหว้พระสวดมนต์บุญจะเกิดกับเราไหมเจ้าคะเกิดบุญที่เราทํานี้ไม่ได้อยู่ที่คนรับอยู่ที่การเสียสละข้าวของเงินทองของเรางั้นเราสามารถเสียสละเงินทองให้กับหมาก็ได้เห็นหมามันไม่มีที่อยู่อาศัยเอามาเลี้ยงมันให้ข้าวมันกินอันนี้มันก็ได้บุญเหมือนกัน บุญที่เกิดจากการเสียสละมันไม่ได้อยู่ที่ผู้รับอยู่ที่ผู้ให้ว่าให้มากให้น้อยให้มากก็ได้บุญมากให้น้อยก็ได้บุญน้อยแ ต, แต่การทำบุญนี้มันไม่ได้มีแต่บุญที่เกิดจากการเสียสละอย่างเดียวมันมีบุญที่เกิดจากการที่เราจะได้รับจากผู้ผู้รับด้วยเพราะว่าเวลาเราทำอะไรให้กับผู้รับผู้รับก็มักอยากจะตอบแทนบุญคุณของเรา เลี้ยงหมาหมาบ้นก็จะเห่าเฝ้าบ้านให้เราถ้าทำบุญกับพระถ้าท่านมีธรรมะท่านก็จะให้ธรรมะกับเราถ้าท่านไม่มีธรรมะท่านไม่มีศีลท่านก็ไม่มีอะไรให้เราต่ อ, อไปคำถามจากคุณโอกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะ ลูกชายของคนรู้จักยิงตัวตายเมื่อวันพุธ ท, ที่ผ่านมาอยากทราบว่าคุณแม่ของเขาต้องทำบุญแบบไหนเขาถึงจะได้รับหรือคนค่าตัวตายไม่สามารถรับบุญได้วันนี้ลูกไปช่วยงานศพมารู้สึกสงสารมารดาผู้ตายมากค่ะก็ได้ไม่ได้เราก็ไม่รู้ล่ะ ว, ว, วิธีที่จะช่วยคนที่ตายไปแล้วก็คือทาบุญแล้วก็อุทิศบุญไปเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาไปอยู่ในสภาพที่รับบุญได้หรือรับไม่ได้ แต่เราส่งไปดีกว่าเผื่อเขารอรับอยู่เขาก็จะได้รับถ้าเขาไม่ได้รับก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันจะเป็นของเรามันกลับมาหาเราหรือถ้าเราอยากจะให้ผู้อื่นต่อก็ได้เหมือนกับเขียนเช็คเขียนละหรือไปให้ในายกรละหรือนางขอนายนยยออะไรก็ว่าไปบุญก็จะได้ถึงผู้อื่นต่อไปถ้าผู้คนอันดับแรกไม่ไม่รับก็ให้ผู้อันดับสองอันดับสามไปก็ได้ คำถามจากคุณโชคทูนกราบถามพระอาจารย์ถ้าเราพิจารณาอาสุภกรรมฐานแล้วทำให้รู้สึกเห็นความไม่สวยของร่างกายแล้วเฉยเฉยเห็นภาพศพแล้วเฉยเฉยไม่ได้มีความรังเกียจ ด, ด้วยเหตุนี้จะทำให้เราละกามาราคะได้อย่างไรครับก็ดูเสร็จเวลาเวลาที่ไปเห็นของสวยๆแล้วลองอพิกภาพให้มันเป็นของไม่สวยดูยางจะรักคนหรือเปล่า อาจจะไม่ให้กำเกลียดก็ได้เพียงแต่ว่าไม่ให้รักท่านนั้นเองถ้าไปพาผ่า อ, อกแฟนออกมาเนี่เห็นลำไส้ของแฟนแล้วยังจะรักแฟนอยู่ว่าเปล่าอันนี้แค่นี้นเองไม่ได้ให้กำเกยียดไม่ให้เกลียดการพิจารณาสุภาพไม่ให้รักไม่ให้หลงยั้นถ้าเราเห็นแล้วเห็นตับไตไส้ภูมิของแฟนอยู่ถ้าเรายังรักอยู่ก็ถือว่าตาบอดแลนะเรือสาดิสนะ พวกชอบกินของกินเครื่องในก็ช่วยไม่ได้แล okay. ้วก็ถือว่าคำถามจากคุณกิตตินะคะ เจ้ากรรมในเวรที่เราเคยทําเข้าไว้หรือกรรมต่างๆหลายภพหลายชาติเขาสามารถตามทวงหรือติดตามเราเพื่อเอาคืนทุกภพทุกชาติหรือชาติปัจจุบันนี้ไหมครับคือก็ไม่ตามทวงเราเพียงแต่ว่าถ้ามาเจอกันเมื่อไหร่เขาก็ทวงเข้าใจไหมเขาไม่มีกอหน้าที่จะสั่งให้จิตของเขาไปตามทวงนี้ได้เนาะเพียงแต่ว่าพอเขามาเกิดแล้วมาจะเอกันเ ข, เขาก็จะทวงเราทันทีถ้าไม่เจอกันเขาก็ไม่ทวง ค่ะคุณกิติต่อนะคะถ้าการให้ทานหรือการให้เราให้ด้วยความบริสุทธิ์แต่คนที่เราให้เกิดไปทำความชั่วต่อไปเราผู้ให้ต้องรับกรรมไหมจะเป็นการส่งเสริมคนชั่วไหมไม่หรอกเพราะตอนที่เราให้เราไม่รู้ว่าเขาทำชั่วถ้าเรารู้ว่าเขาทำชั่วเราก็อย่าไปให้เขามหมดได้เลย จิงจกจะถามเลยไม่ว่าสาธุไม่อบอกกลับได้แล้วเอาวันนี้เกไม่มีคำถามลยเกย๋หรือ <A. S 1> เอะมีไหมไม่แม้ไม่น่าทักเลยตอนนี้ที่บ้านอำเภอยังมีเคเบิลถ่ายทอดสดด้วย มีเจ้าค้าหลวงพ่ อ, ช, อช่องอะไรช่องแปดเจ้าค่ะช่องแนะถ้าบ้านอำเภอค่ะคดีวันนี้หนูได้คุยกับแฟนแล้วแฟนก็กินเหล้ามาเป็นประจำวันนี้เขาก็ถามเขาก็พูดเปย์เปย์ไม่ไม่เชิงถามว่าเอ๊อยากเลิกเหล้าจังว่ะแต่กลัวตายเขาบอกมาว่าในวงเหล้าเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าเลิกเหล้า่ะมันจะตายถ้าเลิอกอ่ะเลิกกินอ่ะจะตาย หนูก็ได้รับฟังอึ้งๆก็คือหนูก็ไม่สามารถที่หนูไม่กล้าที่จะตอบสอนเขาเพราะหนูก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่ในสภาวะอะไรได้หนูก็เลยเว่าถ้าเกิดเขาจะมีคําถามนี้เกิดขึ้นมาอีกสักครั้งหนูควรจะตอบเขายังไงดีเจ้าค่ะของพอ่อก็บอกมันเป็นมิจฉาทิฐิมันไม่เป็นความจรงิงเความจริงเนี่ยกินแล้วเรามันจะตายก่อนคนที่ไม่กินไปถามหมอดูเลย <c oughs> <c oughs> ไปถามพวกกินแล้วทั้งกันมันก็ <c oughs> อมันพวกนี้มันฉลาดมันวิธีที่ทจะทําให้มันไม่หยุดเล่ากันหนูก็แต่หนูพูดทาแบบแบบเป็นไปว่าหนูเออเราเคยคุยกับคุณหมอนะคุณหมอบอกว่าทานเล่าไม่ดีออโอ๊้หมอก็เขาพูดอย่างงั้นแหละเอ๋ถ้าอย่างนี้ก็อย่าไปพูดเลยปล่อยมันปล่อยมันกินไปเถอะสารพท่ตะการแบบนี้เสีเวลาเปล่าๆมันอยากจะกินมันก็เลยบ้านแม่น้ําทั้งห้าเข้ามาแต่ เ, เขาก็พูดว่าเขาก็อยากเลิก นั่นแหละมันก็พูดเป็นแก้เป็นเป็นเป็นเหมือนกับเทาเรียกอะไรว่าแก้ความอายนิดหน่อย อ, อ, อ่ะ <สา S 1> อแต่ความจริงมันอยากกินอถ้ามันอยากเลิกจริงมันก็ต้องเลิกไปนานแล้วหล ะ, ะนะงั้นไม่ต้องไปเถียงกับมันล ะ, ะถ้าดีแล้วอย่างกินไปเลยะจะได้อยู่อายุยืนยาวนาน เนีแสดงว่ามืดบอดมากมีเหรค่ะอเขอามาต่อคำถามจากคุณลิตากราบราจา์ค่ะเห็นว่าตัวเองมีความโลภมาหลายเดือนจริงๆแล้วอาจจะโลภมาหลายชาติแล้วก็ได้แล้วยังเที่ยวไปหาว่าคนอื่นในครอบครัวโลภอีก กับอีกแค่เงินแค่ล้านกว่าบาทเทียบไม่ได้กับทรัพย์สินหลายแสนล้านที่ท่านสิริปันโนทิ้งมาเพื่อออกบวชต้องทําอย่างไรดีคะรู้ทั้งรู้ว่าเราโรคแต่เพราะมันไม่มีพุทโธใช่ไหมคะเพราะเวลาพุทโธมันจะไม่ทุกข์แต่ได้แป๊บเดียวก็คิดอีกต้องอยู่กับพุทโธให้มากตั้งแต่ตื่นจนหลับเหมือนที่พระอาจารย์สอนใช่ไหมคะตอนนี้ทุกแสนสาหัสคะ่ะใช่งั้นเราจะมาสอนทําไมสอนแล้วยังต้องมาถามมาย้ําอีก สอนมาไม่รู้กี่วันกี่ปีแล้วบอกให้ใช้สติแล้วมันจะหยุดความโลภความโกรธได้จากคุณสดายุดกราบนมัสการพระอาจารย์ครับเวลาผมสวดมนต์ไหว้พระจิตจะชอบลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับมันเกิดจากอะไรครับก็เกิดจากอนิสัยเราอนิสัยเราชอบลบหลู่มันก็ลบหลูไ่ไปหมดก็อย่าไปสนใจก็ใช้สติหยุดมันพุโทโธพุโทโธไป แล้วก็ใช้ปัญญาสอนว่าไม่ดีเราไม่ควรที่จะไปลบหลู่แม้แต่ว่าไม่ใช่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ควรไปลบหลู่ไม่ใช่เรื่องของเราใครจะดีจะชั่วมันเรื่องของเขาการลบหลู่นี้มันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรคำถามจะคุณกิตติการนั่งสมาธินั่งแบบดูลมหายใจกับการนั่งพิจารณาตัวเอง การกระทำของตัวเองหาต้นเหตุของทุกข์ของตัวเองจริงๆแล้วแบบไหนที่ถูกครับ อ, อ๋อต้องดูลมอย่าไปนั่งพิ จ, จารณานั่งพิจารณาแล้วไม่สงบเพราะมันไม่ได้เป็นปัญญาที่จะทำให้เราจิตสงบได้ยิ่งฟุ้งซ่านใหญ่ฉนั้นอย่าไปคิดเวลานั่งสมาธิหยุดคิดดีกว่าดูลมหายใจเข้าออกไปเพราะความคิดของเรามันยังไม่เป็นปัญญา คิดไปคิดมาเดี๋ยว่ากลายเป็นกิเลส ข, ขึ้นมาเอย่าไปคิดจิตระดับเหล่านี้ยังไม่อยู่ในระดับของปัญญาตอนนี้ยังไม่มีสติยังไม่มีสมาธินี้ไปทางปัญญาไม่ได้คําถามจากคุณพิไลพรท่านอาจารย์คะใจลูกชอบในการทําบุญและให้ทานแต่อยู่กับคนที่ตรนีขี้เหนียวอยู่ใกล้แล้วใจไม่ชอบบางครั้งรู้สึกเบื่อ ทุกครั้งต้องยอมเขาอดทนยอมยอมไม่อยากอยู่ใกล้ลูกต้องฝึกใจอย่างไรดีคะก็วางใจเป็นู่เบก้ามันเรื่องของเขาเขาเป็นไงก็เรื่องของเขาถ้าเราต้องอยู่กับเขาแล้วก็อยู่แบบเฉยๆไปอย่าไปยุ่งกับเขาคําถามจากคุณศิราทําบุญกับวัดกับการทําทานบริจาคต่างกันอย่างไรไม่ต่างบุญความรู้สึกที่ได้จากการเสียสละเหมือนกัน ต่างที่ประโยชน์ของผู้รับว่าเขาจะไปทำประโยชน์อย่างไรทำกับโรงพยาบาลเขาก็จะไปทำประโยชน์ในเรื่องการรักษาพยาบาลทำกับโรงเรียนเขาก็ไปทำประโยชน์ในเรื่องของการศึกษามันก็ต่างกันตรงนั้นแต่สำหรับผู้ให้ไม่ต่างผู้ให้ได้ได้ความสุขใจเหมือนกันหมดแล้วนะหมดแล้วก็จะรีบจบแล้วเดี๋ยวมีคำถามเข้ามาต่อ